เจอดีผีในวัดพ่อหนุ่มรู้ไหมเมนไปทางไหนเหรอสัมผัสสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมอยู่กรุงเทพบ้านผมเป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์สองชั้น และแบ่งโซนเป็นซอยๆตามแบบหมู่บ้านทาวน์เฮาส์ทั่วไปจำได้ว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นม .3 ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมแถวบ้านในช่วงม .3 ผมเป็นคนติดเที่ยวพอสมควรเนื่องจากมีเหตุที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตอนนั้นผมอาศัยอยู่กับอาซึ่งเขาก็ให้ผมใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ แค่ขอให้บอกบ้างเวลาจะไปไหนมาไหนจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงจากประสบการณ์ติดเที่ยวนั้นทำให้ผมเริ่มเที่ยวกลางคืนอย่างที่ผู้ใหญ่เขาเที่ยวกันสถานที่บันเทิงสถานเริงรมทั้งหลายผมก็ไปมาหลายที่มากเนื่องจากสมัยนั้นการตรวจตราเรื่องอายุของสถานที่ต่างๆนั้น ไม่ได้เคีมงวดมากเหมือนในตอนนี้ส่วนพี่ที่ผมไปด้วยนั้นอายุถึงเกณฑ์กันทุกคนด้วยสังคมและปัจจัยหลายๆอย่างทําให้ผมกลับดึกแทบจะทุกอาทิตย์แต่เนื่องจากที่ยังอยู่ในวัยเรียนผมจึงเลือกเที่ยวเฉพาะวันศุกร์หรือวันเสาร์เท่านั้นทำให้ผมต้องรีบทําการบ้านในช่วงตอนเย็นให้เสร็จ แล้วก็เป็นเหตุทำให้ผมต้องได้พบเจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันหมู่บ้านของผมจะอยู่ติดกับวัดเป็นวัดในเมืองจึงทำให้พื้นที่ของวัดติดพื้นที่ของชุมชนแต่ละครั้งที่มีงานศพหรือมีการเผาศพคนในชุมชนก็จะได้กลิ่นควันเป็นธรรมดาวันนั้นผมกลับบ้านค่อนข้างเย็น เนื่องจากรีบทาการบ้านให้เสร็จเพราะคืนนี้ผมจะไปท้องราตรีกับกลุ่มพี่ๆที่ผมรู้จักการเดินทางกลับบ้านของผมหลักๆจะมีอยู่สองช่องทาง 1. นึงคือขึ้นรถสองแถวจากหน้าโรงเรียนและต่อรถสองแถวใหญ่เข้าซอยหลักเพื่อที่จะไปลงตรงปากทางหมู่บ้านหรือด้านหลังของหมู่บ้านวิธีที่สองคือ นั่งวินมอเตอร์ไซค์ยาวไปถึงหน้าบ้านเลยวันนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงประมาณ6โมงเย็นแล้วผมก็ยืนรอรถพี่วินอยู่ซึ่งนานมากรถก็ยังไม่มีสักทีเพราะว่าเป็นเวลาที่เลิกเรียนและเลิกงานจึงมีทั้งนักเรียนคนวัยทำงานเดินทางกลับบ้านกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ อีกทั้งแถวโรงเรียนก็มีตลาดนัดจึงทำให้มีคนเยอะมากขึ้นไปอีกเมื่อผมรอแล้วพี่วินก็ยังไม่มาผมจึงตัดสินใจจะขึ้นรถสองแถวกลับบ้านแต่มันก็ยังมีวิธีที่สามซึ่งร้อยวันพันปีจะโพรมาสักคันหนึ่งคือเป็นรถสองแถวที่นั่งยาวถึงซอยบ้านผมได้เลย มันเป็นรถสองแถวเล็กที่เลี้ยวเข้าไปทางซอยบ้านผมพอดีซึ่งในตอนนั้นผมถือว่าโชคดีมากๆแต่มานั่งคิดดูอีกทีมันอาจจะเป็นเวรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันทำให้ผมได้พบเจอกับเรื่องราวขนลุกเพราะผมเชื่อว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญผลที่เกิด หรือเรื่องที่เจอมักจะมีเหตุมาแล้วทั้งนั้นผมขึ้นรถสองแถวคันนั้นซึ่งมีคนอยู่เยอะทําให้ผมต้องยืนหยุดตรงบันไดด้านนอกรถก็ขับมาเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าทางเข้าบ้านผมจะมีอยู่สองทางคือหน้าหมู่บ้านกับทางลัดพอไปถึงวัดผมก็ลง เนื่องจากวัดที่ผมว่าเป็นวัดที่อยู่ติดกับหมู่บ้านผมพอดีและถ้าเดินผ่านชุมชนตรงวัดก็จะเจอทางลัดเข้าหมู่บ้านผมหลังจากที่ผมลงจากรถและจ่ายเงินเรียบร้อยผมก็เดินเข้าซอยข้างวัดซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาช่วงพลบค่ำแล้วบรรยากาศชวนขนหัวลุกเป็นระยะระยะเพราะว่ากาแพง ในส่วนที่เป็นกำแพงของวัดนั้นจะมีช่องที่ไว้สําหรับเก็บเท่าอัฐิคนตายเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมฝังอยู่ในกำแพงและติดป้ายหินอ่อนที่ระบุชื่อวันชาตะมรณนพร้อมรูปถ่ายเพื่อที่จะบอกรายละเอียดต่างๆของเจ้าอัฐิในบล็อกนั้นพอผมเดินมาถึงถนนหลักเป็นทางที่จะเข้าวัด หน้าของผมจะหันตรงไปยังเมนและกุฏิของพระขวามือของผมจะเป็นห้องสมุดประชาชนซ้ายมือจะเป็นโรงเรียนประถมซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าที่ผมเคยเรียนเมื่อตอนยังเด็กผมเดินข้ามถนนและเดินผ่านเข้าไปในบริเวณของกุฏิพระเพราะต้องเดินทะลุไปในเขตชุมชนหลังวัด พอผมก้าวเท้าผ่านธรณีกำแพงเข้าเขียดกุฏิพระก็มีเสียงชายแก่คนหนึ่งดังขึ้นนุ่มๆนุมเมนไปทางไหนเหรอตอนนั้นบรรยากาศมันพาไปแล้วมันก็อยู่ในเขียดวัดด้วยแถมเวลานั้นก็ยังโพรเพออีผมเลยสะดุ้งตกใจและขนแขนก็ลุกนิดหน่อยแต่ด้วยความที่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร จึงหันหลังกลับไปเพื่อมองไปยังที่มาของเสียงนั้นก็พบลุงแก่ๆคนหนึ่งใส่เสื้อเชิดสีขาวกางเกงสแลกสีดำการแต่งกายเหมือนคนมางานศพทั่วๆไปแล้วผมก็ยิ้มให้ลุงเพราะภาพที่เห็นตรงหน้าต้องเป็นคนแน่ๆมันดูปกติทุกอย่างมวลอากาศรอบกายยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกหลายๆอย่างบอกว่าคนคนนี้ไม่ใช่ผีแน่ๆผมจึงยิ้มแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆลุงไปทางนี้ครับลุงเดินตรงไปเมนจะอยู่ซ้ายมือลุงก็เดินผ่านแทงน้ำสี่เหลี่ยมใหญ่ๆก็จะเจอเมนแล้วครับผมพูดไปก็ชี้ไปแต่มันนึกได้ว่ามันเป็นทางเดียวที่ผมกาลังจะเดินไปพอดี ไปทางเดียวกันลุงเดินไปพร้อมผมก็ได้ครับด้วยความหวังดีผมจึงชวนลุงเดินไปพร้อมกันระหว่างทางมันก็ไกลพอสมควรสำหรับคนแก่แถมยังมีหมานอนข้างทางเดินหลายตัวซึ่งหมาพวกนี้มันก็เดาอารมณ์ไม่ถูกแต่ลุงแกก็ไม่ได้พูดอะไรต่อแค่ยิม้มแล้วก็พยักหน้าผมจึงถือว่า นั่นเป็นการตอบรับรับผมก็เดินอยู่ด้านซ้ายของลุงลุงแก่ก็เดินปกติมีไม้เท้าแต่เดินหลังตรงและเดินเร็วเพราะท่าทางก็ไม่ได้แก่มากนักเหมือนยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่นมเพิ่งเลิกเรียนเหรอครับลุงเพิ่งทำการบ้านเสร็จเพราะผมพูดจบ ลุงแกก็พยักหน้าแล้วก็หันมายิ้มให้ผมผมก็ยิ้มตอบทุกอย่างดูเป็นปกติดีพอถึงทางเลี้ยวซ้ายที่ลุงต้องเลี้ยวเพื่อจะไปยังเมนผมก็มองไปทางเมนก็เห็นคนเยอะอยู่พอสมควรยืนบ้างนั่งบนเก้าอีบ้บางจังหวะนั้นก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งมองมาทางผมแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาหา ที่ผู้หญิงคนนั้นวิ่งเข้ามาจับแขนลุงพร้อมกับบ่นนิดหน่อยตามประษาคนเป็นห่วงแล้วเธอคนนั้นก็หันมาขอบคุณผมจากนั้นก็จูงลุงแก่คนนั้นเดินไปทางเมนใจผมตอนนั้นทั้งโล่งอกว่าไม่ใช่ผีทั้งดีใจที่ลุงแก่เจอญาติแล้วผมก็หันหลังเดินต่อ เพื่อที่จะไปให้ถึงบ้านไวๆเพราะในตอนนั้นมันก็มืดแล้วแต่เมื่อผมหันกลับมาก็มีลมอุ่นๆพัดใส่หน้าผมเต็มๆมันอุ่นเหมือนกับลมระบายจากคอมเพรสเซอร์แอร์อุ่นๆร้อนๆ ผมจึงหยุดนิง่งแล้วมองซ้ายมองขวาหาที่มาของลมนั้นแต่ก็ไม่เจออะไรจังหวัดที่ผมกำลังจะเดินต่อหางตาผมก็เห็นอะไรดำๆตะคุมตะคุมทางกลุ่มคนที่นั่งอยู่ในงานศพในตอนนั้นใจผมคิดว่าใช่แน่ใจหนึ่งบอกให้วิ่งแต่ใจหนึ่งก็อยากรู้อยากเห็น สุดท้ายความกลัวก็แพ้ความอยากรู้ผมตัดสินใจหันกลับไปทางกลุ่มคนที่นั่งอยู่ในงานแล้วผมก็เห็นเต็มสองลูกตานั้นผมเห็นเงาสีดำที่มีรูปร่างความโคง้งความลึกลักษณะเหมือนคนแต่ดำสนิทเป็นเงาทั้งตัวส่วนหัวก็เป็นหัวล้นโลนเงานั้น กำลังยืนกระโดดอยู่แถวหลังสุดของเก้าอี้ที่คนในงานศพนั่งกันอยู่เงานั้นวิ่งกระโดดไปกระโดดมาแล้วสายตาของผมก็หันไปประท่ากับลุงอย่างจังลุงแกยิ้มให้ผมแล้วก็ทำปากพูดบอกว่าให้รีบกลับแต่ท่าทางของลุงในตอนนั้นเหมือนไม่ใช่ท่าทางที่คนทั่วไปเป็นห่วงแล้วบอกให้รีบกลับ แต่เป็นท่าทางที่กระวนกระวายร้อนรนแต่ยังเก็บอาการเอาไว้โดยการยิ้มมือและปากของแกทั้งชี้ทั้งบอกให้ผมรีบกลับบ้านตอนนั้นผมเหงื่อแตกพักเงาที่ผมเห็นก็ยังคงกระโดดเป็นวงกลมเรื่อยๆตรงบริเวณพื้นที่โลงๆหลังเก้าอี้ตัวสุดท้าย แล้วอยู่ๆมาในวัดก็พากันหอนร้องกันละงมผมอึ้งไปสักพัก แต่ก็ตั้งสติได้หลับหูหลับตาวิ่งอย่างเดียวไม่สนอะไรแล้วแต่ก่อนที่ผมจะข้ามธรณีของกำแพงวัดเพื่อที่จะเข้าเขตชุมชนนั้นผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังไล่หลังมา มันเป็นเสียงหัวเราะที่ชวนขนลุกและเย็นยะเยือกจับใจหลังจากได้ยินเสียงผมก็เร่งฝีเท้าเร็วขึ้นไปอีกในตอนนั้นความกลัวชนะความอยากรู้ไปเรียบร้อยเนื่องจากด้านหลังผมต้องมีสิ่งใดยืนอยู่แน่ๆแต่ผมไม่กล้าหันกลับไปมองอีกแล้วคนผมลุกตั้งตั้งแต่กลางหลังถึงปลายหัว หนังหัวตึงไปหมดตอนนั้นวิ่งอย่างเดียววิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งไปจนถึงบ้านพอไปถึงบ้านผมก็เข้าไปสงบสติอารมณ์อยู่พักใหญ่อย่างแรกที่คิดคือผมว่าลุงคนนั้นอาจจะเห็นเหมือน ก, นกันกับที่ผมเห็นก็เป็นได้ถึงได้ทำท่าทางร้อนรนขนาดนั้น อย่างที่สองที่สงสัยคือวิญญาณตนนั้นที่กระโดดโลดเต้นอยู่ด้านหลังเก้าอี้แถวสุดท้ายเขาคือใครจะใช่คนที่นอนอยู่ในโลงหรือเปล่าซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้หรืออย่างที่สามคุณลุงและทุกคนที่ผมเห็นในงานศพนั้นจะเป็นผีกันทั้งหมดจนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้น มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สมัมผัสสยอง